กิเลสหลอกว่าตายแล้วศูนย์มีคนจำนวนมากยังเข้าใจว่าเมื่อสิ้นใจตายไปแล้วก็ศูนย์สิ้นจบกันเท่านั้นแท้จริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนย้ำเสมอๆว่า สัตว์ที่ว่าตายเกิดตายเกิดมันไม่มีที่ไปเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สูญมันหากหมุนหากเวียนกันออกจากนี้ไปเป็นสัตว์เป็นเทวบุตรเทวดาไปเป็นอินเป็นพรหมก็มีเป็นเปรตเป็นผีก็มีเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้ตั้งกับตั้งกันมาแล้วจิตวิญญาณดวงนี้ตายไม่เป็น เพราะฉะนั้นคำว่าตายแล้วศูนถึงขัดกันเอาอย่างมากทีเดียวเป็นกลมายาของกิเลสโดยตรงที่หลอกสัตว์โลกให้ทําชั่วเพราะถ้าว่าตายแล้วสูญแล้วไม่มีเงื่อนสืบต่ออยากทําอะไรก็ทําความอยากทําคือทางเดินของกิเลสอยู่แล้วก็ทําตามความอยาก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 ก็มีก ร, รมนั้นต่ออีกพบนั้นสืบพบนี้ไปเรื่อยก ร, รมหนักก ร, รมเบามีอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างนั้นละ